ซพ่งพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีใจดวงเดียวนี่แหละที่เป็นแก่นของชีวิตที่เราจะต้องทนุถนอมให้มันหลุดพ้นจากที่ลตตปันหาเดียวนี่ ที่เด็ดตัญหามันยังหุ้มห่ออยู่มันถึงได้เป็นทุกข์ถึงได้ดิ้นรนไปต่างๆโดยอาศัยร่างกายนี่แหละเป็นเครื่องดำเนินมีร่างกายนี่มานี่หละมันเป็นเหตุ ให้จิตนั้นอยากได้อะไรต่ออะไรมาบำรุงร่างกายอันนี้นะพิจารณาให้มันเห็นแต่เล่าร่างกายอันนี้มันกหาเที่ยงยังย่งยืนไม่ใครจะบำรุงมันยังไงยังไงก็ตามเนะี่ยแต่มันก็ต้องแปรผันไปตามกฎธรรมดาของมัน ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกดับไปคราวนี้ผู้สวยสุขหรือเสวยทุกข์กัจิตดวงนี้ร่างกายนี้มันไม่ได้เสวยสุขสวยทุกข์อะไรมันก็แตก ด, ดับลงไปก็เป็นไปเป็นธาตุอยู่ตามเดิม เ น, นเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตนี่สำคัญพระพุทเธเจ้าจึงได้สอนให้คนเราทาความดีละความชั่วก็เพื่อจิตดวงเดียวนี่แหละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นให้จิตดวงนี้นี่มันหลุดไปจากกรรมมันชั่ว เพราะคำชั่วมันตกแต่งให้เป็นทุกข์บัานี้คนเราไม่มีปัญญาจะละความชั่วได้โดยตนเองก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้บอกเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ละกิเลสมาก่อนคนทั้งหมดในโลกนี้ พระองค์ละกิเลสได้ด้วยพระปัญญาของพระองค์เองก่อนคนอื่นทั้งหมดดนงนั้นแล้วพระองค์ก็สงสารสัตว์โลกที่ไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสได้ดนงนั้นก็จึงเที่ยวจาริกไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่ทรงแสดงธรรมโปรดบุคคลผู้ สนใจผู้เสงหาทางออกจากทุกข์ก็ได้มาเฝ้าพระองค์ก็ทรงพระเมตตาแสดงคำโปรดให้คนเหล่านั้นได้รู้จักหนทางออกจากทุกข์ได้อันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ได้อบรม นิสัยใจคอมาอย่างนั้นคือได้อบรมพระองค์เองให้มีเมตตากรุณาเพื่อแผ่กว้างขวางไม่มีประมาณน้ำพระไทยของพระองค์นะั้นปรารถนาที่จะให้สัตว์โลกนี่มีความสุขทั่วหน้ากัน ไม่อยากให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันการเบียดเบียนกันมันเป็นกรรมเป็นเวรมันตามสนองกันไปนานกลัวมันจะหมดกรรมหมดเวรได้รับทุทกททนทรมานเพราะกรรมเวรนั่มันให้ผลพระองค์จัดสู้แจ้งแงทงตลอดเรื่องกรรมมีบาของพระองค์เองและของบุคคลอื่นสัตว์อื่น มาแล้วจึงได้มาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังให้ได้รู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตทำไมชีวิตนี้มันถึงเป็นทุกข์มันจึงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรอันนี้มันก็เป็นมาด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมา กําดีกรชั่วที่มาแต่งชีวิตให้คนและสัตว์ทั้งหลายนี่มันก็ไม่เที่ยงเมื่อกรรดีกําชั่วนียมันไม่เที่ยงแล้วอัตภาพร่างกายนี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทสาวหาต้นเหตุอันมาตกแต่งก่อให้เกิดชีวิตคืออัตภาพร่างกายอันนี้ ให้มันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้ถ้ามันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ละความชั่วแล้วก็จะทำแต่ความดีเพราะเห็นแจ้งว่าคำชั่วนั้นมันให้ผลเป็นทุกข์ทนทรมานแต่คาดีนี่มีแต่ให้ผลเป็นสุขและให้ ชีวิตนี่จเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย เ, อยเมื่อทำความดีไปมากเท่าไรชีวิตนี่ก็ยิ่งมีความสุขมากไปเท่านั้นยิ่งห่างไกลาจากความทุกข์ไปเรื่อยๆดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงสอนแล้วสอนเล่าสอนให้คนเรากระทำความดีนี่เพราะว่า ความสุขความเจริญมันย่อมเกิดมีได้ด้วยการกระทําความดีอย่างเดียวไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิดสก์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกนี้มาดนบันดาลให้บุคคลผู้บวงสรวงอ้อนวอนนั้นเป็นสุขมีความสุขความเจริญได้เหมือนอย่างคนบางพวกบางเหล่าที่มีความเห็นอย่างนั้น แล้วก็พากันทำอย่างนั้นมาแต่พระพุทธเจ้าสัตว์สรู้แจ้งแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทางคนทุกเป็นทางไปสู่ทุกต่างหากเพราะการบวงสวงมันต้องฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์นันก็เป็นบาปอยู่แล้วจะไหนหละกไปบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่มันจะ มีผลดีตอบสนองเพราะขึ้นต้นมันก็มีก็บาปแล้วเนี่ยมันจะมีผลดีตอนปลายได้อย่างไรอ่ะคนมันเข้าใจผิดเข้าใจไม่ลึกซึ่งพอเพราะฉะนั้นควรเข้าใจให้มันถึงที่เมื่อเราพิจารณาเรื่องใดก็ดี อย่าให้มันครึ่งคึกลางกลา ง, ง, งต้องให้มันถึงที่มันจริงๆถ้าถึงถึงรากเง้าของมันจริงๆแล้วแนะมันมันก็ยอมรับเท่านั้นเองนจิตเนี่ยแต่ถ้ามันยังไม่ถึงรากเก้ามันเนี่ยมันก็ยอมรับไม่ได้รับไม่ลง เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้พิจารณาให้ดีมันก็ต้องรู้เรื่องหมู่นี้นะไปก่อนมันยึงถอนอุปท า, านได้ถ้าไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างว่าเลยนะมันถอนอุปท า, านไม่ได้เลยมันยังสำคัญว่า ชีวิตนี่เป็นตัวของตัวอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่สำคัญดวงจิตอ่ะว่าเป็นตัวของตัวเองไปสำคัญเอาร่างกายเนี่ะว่าเป็นตัวของตัวแต่ความจริงแล้วร่างกายมันก็เป็นที่อาศัยของจิตเหมือนอย่างบ้านเรือน อันเป็นที่อาศัยของร่างกายอย่างนั้นแหละแล้ววันนี้บ้านเรือนเะบุคคลจะมาโมเมเอาว่าเป็นของเราของเราอยู่ตลอดไปจะได้หรื อ, อเพราะว่าไปๆล่ะชีวิตนี้มันหมดเหตุหมดปัจจัยไปแล้วมันก็อาศัยเรือนหลังนั้นอยู่ไม่ได้เลยก็ต้องตาย พรัศกรากจากบ้านจากเรือนหลังนั้นไปกับร่างกายมันก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยอันนั้นเป็นเรือนนอกอันนี้เป็นเรือนในอืมก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเช่นอย่างบุคคลผู้ที่ทําบ้านเรือนอยู่ชั่วคราวเช่นเสา ไม่ทับเปลือกเสาไม่ไผ่มุงหญ้าคาอะไรหมู่นี้นะคนผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาก็ไม่พอใจที่จะอยู่เรือนชั่วคราวเท่านั้นเพราะเขารู้อยู่ว่าเรือนหลังนี้มันไม่มั่นคงเขาจี่ต้องขยันมันเพียนหาเงินหาทองให้มันได้ รวบรวมเงินทองให้ได้เป็นก้อนเพื่อว่าบ้านหลังนี้มันชำรุดทุดโทรมไปแล้วก็จะได้สร้างขึ้นใหม่ให้มันถานวรกว่าเก่าจะได้อยู่นานสักหน่อยหรือจะได้อยู่ไปถึงชั่วลูกทั่วหลานนันสำหรับคนที่เกียดคร้านไม่มีปัญญา มันก็ได้อาศัยอยู่แต่บ้านชั่วคราวนั่นแ่ละล่ำไปเอา้าพอลังนี้มันชำรุดลงก็ไปทำหลังใหม่กระสาไม่ไผ่เหมือนเดิมเพราะทนเกียดคล้านไม่ทำงานไม่ได้เงินได้ทองมาเป็นก้อนเป็นหน่วยพอที่จะมาสร้างบ้านถาวรได้อันนี้อุปมาในชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ บูคนเกียร์คลานทำกูศลคุณงามความดีเกียร์ค้านภาวนาสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดแล้วก็ละ ก, กิเลสไม่ได้ละความชั่วไม่ได้บางคนก็แค่ทำความดีอไปนินิดหน่อยหน่อยพอให้ได้เกิดมาเป็นคนอีก แล้วก็มาแก่มาจิบมาตายอย่างนี้อีกบางคนทำบาปมากไม่ได้มาเกิดเป็นคนซ้ำก็ไปสู่อบ า, ายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นได้นทนทุกข์ทรมานไปมากมายบุปผามาเหมือนอย่างบุคคล ไม่คิดสร้างเมื่อสร้างตัวอะไรนะนะั่นเกิดมาแล้วพอบุญกุศลตกแต่งร่างกายนี้ให้แล้วก็เที่ยวแสวงหาแต่ความสนุกสนานชั่วคราวหาเงินหาทองก็หากับกระเป๋าคนอื่นคอยแต่จะยื้อจะแย่งเอาของเขาไปเขา ใส่เครื่องประดับประดาตกแต่งแล้วก็มองหาโอกาสอย่างนั้นแหละพอโอกาสอำนวยให้ก็ไปชุดเอาของเขาไปเอาไปขายได้เงินได้ทองมาใช้บุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ ไคอยพึ่งแต่คนอื่นเขาเป็นโย่ไม่ถึงจี้ปล้นก็ใช้กระเท้เล่หลอกลวงใช้คำพูดหวานล้อมให้เขาหลงเชื่อเช่นไปกู้ยืมเงินเขามาอย่างนี้ใช่วาจาหวานล้อมให้เขาหลงเชื่อเดี๋ยวไปกู้เงินโดยไม่มีสัญญมสัญญาอะไร วันนี้ว่าเอาเงินเขามาใช้สอยไปแล้วแทนที่จะเอามาลงทุนค้าขายได้กําไรแล้วส่งต้นทุนเขาไปตามกําหนดตามสัญญาไม่ทําได้เงินเขามาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายสุรุสุร้ายไปโดยแสดงตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไป ไปเที่ยวหาคบคนชั่วเป็นมิตรอย่างนี้แล้วเงินทองนั้นมันจะไปเกิดดอกออกผลได้อย่างไรทุนก็หายกําไรก็ไม่มีจะไปได้เงินที่ไหนไปชดใช้เขาก็ต้องเป็นหนี้เขาไปตลอดชีวิตหรือไม่ฉะนั้นเขาก็คลองร้องยึดทรัพย์ของตนไป หายทอดตลาดก็กลายเป็นบุคคลล้มละลายไปอย่างนี้มันต้องคิดให้ดีเกิดมาในโลกนี้นะเมื่อบุคคลไม่มาอ่านดูอาตภาพร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วมันก็ส่วนมากก็มักจะนำตนไปในทางความเสื่อม ของชีวิตชีวิตนี่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสคนไม่รู้จักทรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจมันก็ตกไปเป็นทาตของกิเลสบาปธรรมนั่นแหละคนไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่ในใจก็ตกไปเป็นทาตของบาปกรรม ผลเรานั้นจะอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าไม่ทำบุญก็ต้องไปทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าในใจของบุทุชนเนี่ยมันมีเชื้อของบุญและเชื้อของบาปปนเปกันอยู่เลยสุดแล้วแต่ใจส่งเสริมเชื้ออะไรมากเชื้อนั้นมันก็มีอิทธิพล เหนือจิตใจถ้ า, าว่าใจนั่นมันเชื่อบุญเชื่อกุศลว่าอำนวยผลให้เป็นสุขมันก็สนับสนุนเชื้อของบุญให้อยากทำบุญอยากได้บุญมากๆ ก, ก็หาโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลให้เต็มความสามารถส่วนทางบาปกรรมนั่นพี่ไา้เห็นแล้วว่าไม่ควรส่งเสริม พอมันนำมาซึ่งความทุกข์จิตนี่เมื่อมันมีปัญญานะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ฉล า, าดรู้จักละเหตุแห่งทุกข์ได้ฉล า, าดรู้จักสะสมเหตุแห่งความสุขให้เกิดมีขึ้นแก่ตนของตนได้จิตใจที่ฉล า, าดเป็นอย่างนั้นเนยให้เข้าใจใจที่ไม่ฉล า, าดแล้วก็นั่นแหละ มันไปเที่ยวสะสมเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละใส่ตัวเองเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะคิดค้นหาเหตุแห่งความสุขได้คนบางคนไม่เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตไม่สมาคมกับคนมีปัญญาไปสมาคมกับแต่คนที่ไม่มีปัญญาก็เลยกลายเป็นคนไม่มีปัญญาตามกันไป ปัญญาในที่นี้หมายหมายเอาปัญญาละคมชั่วทำความดีได้จึงเรียกว่าปัญญาในพระพุทธศาสนาปัญญานอกนั้นไม่นับเนื่องเข้าในกุศลธรรม <c oughs> เช่นมีปัญญาสามารถผลิตสิ่งของเรื่องต่างออกมาใช้มาจำหน่ายขายได้เงินมากมาย อะไรโมนี้นะพัญญาสามารถสร้างเครื่องจากเครื่องยนต์เอามาใช้สอยหรือจําหน่ายขายได้เงินทองมากๆอะไรโมนี้พัญญาดังกล่าวมานี่ยังไม่สามารถจะช่วยคนเราให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารนี่ได้เพียงแต่ช่วยให้ได้รับความสุขอยู่ในโลกนี้ชัว่วคราวเท่านั้นเอง ท่านเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วก็ทิ้งไปหมดความรู้ความฉลาดเหล่านี้ไม่สามารถจะช่วยให้บุคคลผู้นั้นไปสู่สวรรค์ได้ดังนั้นขอได้พากันพิจารณาให้ดีผู้ที่มาเชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้าแล้วเขาจึงไม่นิ้งนอนใจก็จึงได้ภาคเพียนพยายามภาวนาเพ่งพินิษดูจิตตัวเองนี่เพราะว่ามันมีกิเลสบาปประทมครอบงำอยู่มากน้อยเพียงใดเมื่อเมื่อพิจารณาเขาเรียกว่าเทียบตามคำสอนของอุธเเจ้านั่นแหละ ความรู้สึกความคิดความเห็นในใจนะ่นนะต้องเอาเทียบกับพระธรรมคาสอนก็ถึงจะรู้ได้ว่าภายในจิตใจของตัวเองนี่นะมันมีกิเลสบาประรมอยู่หนาแน่นเท่าไรเบาบางไปเท่าไรใจของตนนั้นมีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่มากน้อยเพียงใดนี่เมื่อเมื่อเทียบกับคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้ได้ นั่นแหละเช่นอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้จนหามาได้ได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคอยู่เท่านั้นไม่ไม่เสียสนยิ่งไปกว่านั้นอย่างนี้นะวันนี้เมื่อมามองดูใจของตัวเองนะเห็นว่ามันไม่ได้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้เท่านั้น เมื่อเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยขวัวตนก็อิจฉาคิดอยากจะไปยื้อแย่งหลอกลวงเอาสมบัติของคนอื่นเขามาเป็นของตนโดยทางทุจริตหรือว่าโดยทางรวบรัดตัดตอนไปเลยไม่ได้มีสินค้าอะไรไปแลกเปลี่ยนเอาไปหลอกลวงเอาดือด้อๆไปอย่างนั้นนะ อันนี้แหละถ้าหากว่าความคิดค้นนึกในจิตใจของผู้ใดเป็นอย่างว่านี่นะมันก็รู้ได้ว่าตนนั้นยังมีความโลภอยู่มากมายนี่ก็สมควรที่จะละความอยากความบาถนาดังกล่าวนี้เพราะมันทำทุกข์ให้แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นถ้ามามองดูจิตตัวเองเนี่ยก็ทบทวนดูก็รู้ได้แต่อดีต ไม่นานมานี่ถึงปัจจุบันเนี่ยจิตนี่มันเคยกโกรธมันปูกโกรธได้กับใครต่อใครบ้างมันเคยฉุนเสียวหงุดหงิดเวลาที่อารมณ์ที่ไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามามือนี้มันพอรู้ได้แหละเมื่อเพ่งพิพจารณาดูอยู่ว่าถ้าหากว่าใจตนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงก็รู้ รู้แล้วก็พิจารณาแล้วว่าถ้าขืนปล่อยให้จิตใจเป็นอย่างว่านี่แล้วมันก็จะต้องไปเบียดเบียนบุคคลอื่นทัดสัตว์อื่นเพราะความโกรธนี้แหละความไม่พอใจก็จะไปสร้างกรรมสร้างเวรให้แก่ตนเองและผู้อื่นอยู่ร่ำไปดังนั้นความโกรธนี้จึงควรละไม่ควรยึดถือเอาไว้ เมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็จะเพียนลากโามโกรธนั่นไปเรื่อยๆไม่ส่งเสริมมันเมื่อใจไม่ส่งเสริมมันแล้วมันจะมาครอบงำจิตใจไม่ได้เลยมีแต่มันอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะก็มาพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้แหละว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขา คนอื่นก็ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ร่างกายของเขาร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวจะไปโกรธไปเกลียดมันทาไมในเมื่อรูปกายอันนี้มันเป็นธาตุดินนะ้ำไฟลมเท่านั้นนะแตกดับแล้วมันก็กองอยู่พื้นดินเท่านี้เล้๋ยวจะไปโกรธทำไมเนี่ยมันพิจารณาด้วยปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาความโกรธไปเลยเลย ถ้าใครไม่พิจารณาร่างกายให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างนี้นะละกิเลสอะไรก็ไม่ได้าะไม่ได้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะหลงสำคัญว่ากายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนี้นะมันถึงได้ สร้างบาปสร้างกรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันถึงได้เวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เพราะมันหลงสำคัญผิดคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนขันหานี่เป็นตัวตนแล้วก็หลงเพลินเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเมาไปตามความนิยมสมมุติของโลก โลกเขาสมมุติว่าอย่างไรดีรเราสวงหาไปจะเป็นบาปเป็นกรรมก็ไม่รู้เอาโลกเขาว่าโลกเขานิยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เอาโลกเขานิยมลักช่อโกงเอาสมบัติปืนเอาเป็นลูกโก็เรียนแบบเขาอโลกเขานิยมไปเล่นชู้กับเมียหรือเล่นชู้กับหัวของคนอื่น ก็เป็นเรื่องสนุกสนานก็เอาเรียนแบบกับคนอื่นเขาโลกเขานิยมพูดช่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติของผู้อื่นด้วยวาจาโกหกพกรมของทนอย่างนี้ก็เรียนแบบเขาคนหลงอ่ะคนไม่รู้ เ, เป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาโลกเขาสมมติว่าการสังคมกันนี่ต้องมี เล้ายาปลาปิ้งมาดื่มกันกินกันถึงจะสนุกสานานอย่างนี้ก็เอาขับเขานี้ตั้งสมาคมเด็นักดื่มขึ้นมาถือว่าเป็นความสุขสนุกสานานนี่คนหลงอะ่ะเมื่อมันหลงแล้วมันเข้าใจว่าการทำอย่างนั้นไม่เป็นบาปเป็นกรรมก็เลยทำไปเรื่อย นี่มันมีเครื่องเทียบอยู่อย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีอันความรู้กับความหลงมันก็คงกันข้ามอันผู้รู้ทั้งหลายท่านเห็นว่าการทำกรรมห้าอย่างนั้นเป็นบาปไม่ใช่เป็นบุญกุศลเมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่างก็เว้นและไม่ทำต่อไปอีกโดยมาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี่แหละ ก็เมื่อมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตต า, าไม่ใช่ของเราแล้วจะใช้มันไปทําชั่วอยู่ทําไมจะหวงมันไว้ทําไมเอกบกลงเสียเถอร้างเสียเถิดแล้วเสแวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงมันแต่ในทางที่ชอบได้มากหรือได้น้อยได้ของหยาบหรือของละเอียดอย่างไรมา ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตามบุญตามวาสนาของตนของตนแล้วอย่างนี้ก็ได้คือว่าเป็นผู้รู้จักพ้นทางออกจากทุกผู้นั้นก็จะเป็นผู้พ้นจากทุกในอบายภูมิทั้งสี่มีสวรรค์และนิพพานเป็นที่ไฟดังแสดงมา